สงบจิตได้ย่อมอยู่เป็นสุขพุทธภาสิอาจารย์คะเช้าวันนี้มาพบกับอาจารย์ด้วยคำถามคำถามหนึ่งซึ่งสงสัยเหลือเกินว่าในเรื่องของการดูจิตนั้นการเห็นจิต กับอาการของจิตเนี่ยต่างกันอย่างไรคะครับเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งจะว่เป็นเรื่องกว้างก็ว่าได้ถ้าว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของจิตเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักตัวเราถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของจิตเราก็จะปฏิบัติทมดูจิตไม่ได้ทีนี้ว่าจิตเนี่ยมันต้องรู้จักความหมายเขาความหมายของจิตเนี่ยเราเอาตามสภาวะของจิต ที่แท้จริงจิตเนี่ยคือสภาพที่รู้สตันคือรู้รู้อะไรได้รู้ทางตารู้ทางหูมาถึงรู้รูปที่มากระทบตาหรือรู้เสียงที่มากระทบหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้การสัมผัสทางกายความเย็นความร้อนความแข็งความอ่อน หรือรู้ทางใจก็ได้รู้เรื่องของความคิดนึกพอใจไม่พอใจสภาพที่รู้อะไรอะไรได้นั่นแหละคือสภาพที่จิตเรียก่เป็นสภาวะของจิตสภาวะเนี่ยสภาวะธรรมคือจิตเนี่ยทำหน้าที่รู้เรสังเกตว่าคนที่มีจิตเนี่ยคือคนที่ไม่ตายะนะคนที่ตายแล้วมันเป็นซากศพนะอันนั้นเขารู้อะไรไม่ได้หรอกนะเนี่ยเาจะนอนนิ่งเราจะเอาไม้ไป ทิ่มตาทิ่มหูหลือเข็มไปแทงเอามีดไปฟันคอเขาก็าจะไม่รู้สึกนีเนี่ยแสดงว่าคนปลายเนี่ยไม่มีจิตแต่คนเป็นๆ เ, เนี่ยยังเดินได้นั่งได้พูดได้เนี่ยทุกคนมีจิตคือมีสภาพที่รู้อะไรอะไ ร, อะไรได้เนี่ยคือเรื่องของจิตก็อยู่ในตัวเรานี่แหละเห็นไหมเราจะรู้อะไรหลายๆอย่างไหมอย่างตอนได้ยินเสียงเนี่ยรู้ว่าเราได้ยินเสียงอันนี้คือสภาพของจิตเขาทางานเลย เนี่ยคือเรื่องของจิตแล้วก็มีอย่างนึงก็คืออาการจิตต้องมีอาการเราต้องแยกกได้นะอะไรคือจิตอะไรคืออาการตรงนี้ละค่ะยากอาการของจิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อจากสภาพที่รู้จิตเป็นผู้รู้จิตเรียกเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอันนั้นคือจิตแต่ว่าเรารู้อะไรดูอะไรเห็นอะไรอย่างเช่นท่านผู้ฟังเนี่ยฟังเสียงเนี่ยนะ การได้ยินเสียงเนะี่ยคือจิตเขาทำหน้าที่แต่ได้ยินเสียงใครเสียงอะไรดีไหมชอบหรือไม่ชอบคือสภาพที่ต่อจากรู้เฉยๆมาเป็นความคิดลหละเรียกว่าอาการของจิตคือความคิดก็ได้ได้ใช่ไหมคะได้เลยหรืออารมณ์มเนี่ยอารมณนะ์ไง ก็คืออาการของจิต น, นั่นแหะถ้าอย่างนี้ก็ฟังแล้วจะเข้าใจชัดเจนขึ้ น, นเพราะว่าถ้าบอกอาการของจิตนี่เอ๊ะแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะ <c oughs> ถ้าบอกว่าความคิดหรืออารมณ์เนี่ยนะคะดูจะเป็นภาษาที่คุ้นชินกับคนทั่วไปแล้วก็จะเข้าใจได้เลยค่ะต้องแยกให้ถูกนะ <c oughs> ระหว่างจิตกับอาการจิตกับอาการของจิตเนี่ ย, ยคือสภาวะทีร่รู้อาการคือสิ่งที่มาผสมปรุงแต่งแต่ถ้าเราอุปมาเป็นรูปธระทรับหน่อยจะเข้าใจ ง, ง่ายๆ เอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตดีกว่าน่าจะดีค่ะจิตเนี่ยเปรตเสมือนหลอดไฟเปรียบเสมือนหลอดไฟแล้วอาการของจิตเนี่ยคือเปรตเสมือนแสงไฟเราสังเกตดูดิเราจะเห็นแสงไฟกับหลอดไฟเนี่ยมันโคลอันกันแต่มันก็มักจะมาด้วยกันใช่เพราะนั้นจิตกับอาการเนี่ยมันเกิดด้วยกันราักาศัยกันเกิดนะเพราะนั้นหลอดไฟเนี่ย เป็นเสมือนจิตแล้วก็อาการคือแสงไฟถ้าเราไม่เข้าใจว่าอะไรคือจิตอะไรคืออาการเนี่ยเราจะดูจิตไม่ได้หรือจะสับสนเราจะดูไม่ถูกว่าไม่รู้เราดูอะไรอันจริงนักปฏิบัติเนี่ยที่ดูจิตเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นจากการดูอาการก่อนดูความคิดดูอารมณ์จิตชอบใจก็รู้ว่าชอบใจจิตไม่ชอบใจก็รู้ไม่ชอบใจจิตมีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ อาการที่มันมีราคะโทสะหรือชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นความคิดเป็นอารมณ์เราจะเห็นตัวนั้นก่อนนะและต่อมาเนี่ยเราจะเห็นจิตผู้ที่รู้อารมณ์ไปเองไม่เหมือนกับเราไปไหนสักแห่งหนึ่งเราเดินเข้าไปในห้องเราเปิดประตูบานเนี่ยในห้องนั้นเปิดไฟเอาไว้เราจะเห็นแสงไฟก่อนแล้วก็จะเห็นอ๋อหลอดไฟเป็นอย่างนี้เองคือเห็นสิ่งที่มันห ย, ยาบๆง่ายๆก่อนเนี่ยสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะ อาจารย์กำลังจะบอกว่าการเห็นความคิดหรือว่าการเห็นอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายกว่าการเห็นจิตใช่ไหมคะครับเห็นจิตผู้รู้เองเนี่ยมันยากเพราะจิตผู้รู้เนี่ยมันมีแต่สภาวะแต่ไม่มีรูปร่างและมันเกิดนิดเดียวเดี๋ย ว, ย ว, ย ว, ยวมันก็หายไปนะเพราะฉะนั้นการที่จะดูจิตได้เนี่ยต้องสังเกตดูอาการก่อนดูความคิดดูอารมณ์เนี่ยดูตัวนี้ก่อนดูอาการก่อนแล้วต่อไปเนี่ย การดูบ่อยๆเนี่ยดูอาการบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการกลับมาดูตัวมันเองโดยธรรมชาติค่ะอ๋อแล้วมีความคิดเกิดขึ้นอ๋อนี่คือความคิดนะคืออาการอ้าวแล้วใครเราเป็นผู้ที่รู้ในอาการเนี่ยใครเป็นผู้รู้ในอาการเมื่อมีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีจิตผู้รู้อยู่ต้องแยกแยะว่าอะไรคือจิตผู้รู้อะไรคือความคิดความคิดกับอารมณ์ก็คืออันเดียวกันเราจะสังเกตง่ายๆก็คือ ความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีเป็นเรื่องของสมมุติเป็นสมมุติว่าอ๋อนี่มันใครพูดเสียงไกลดีหรือไม่ดีอันนี้เป็นสมมุติแหละค <â. S 1> แต่ว่าจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่ใช่สมมุติมันจะมีสภาวะที่รู้เลยรู้เลยรู้ในสมมตินปลว่าอะไรที่มันจริงกว่ากันคือจิตผู้รู้เนี่ยจะจริงกว่าส่วนตัวสมมุติคือความคิดเนี่ยมันไม่ค่อยจริงอ่ะแต่แต่เราจะสมมุตเิเรียกชอบไม่ชอบสีนั้นสีนี้แต่แล้วก็ตามแม้แต่ตัวจิตนีต่มันก็ยังไม่จริง ทําหน้าที่รู้แต่บางทีมันก็หลงเหมือนกันแปลว่าจิตผู้รู้เองนี่มันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงมันรู้ได้มันก็หลงได้เนี่ยพอถ้าเวลาเราปฏิบัติเราเจริญสติเนี่ยเมื่อจิตมันรู้อืมเราก็รู้นี่มันรู้แล้วเมื่อจิตมันหลงเนี่ยเราต้องเข้าใจเพราะจิตเนี่ยมันรู้ได้แล้วมันก็ต้องหลงได้เหมือนกันแต่คนส่วนมากเวลารู้ในชอบเวลาหลงนี่ชักจะหุดหงิดเองไอ้ความชอบไอ้ความหงิดเนี่ยมันเป็นก็เลยเป็นนิสัยของเราค่ะ มันเป็นสิ่งที่มันไม่จริงหรอมันเป็นตามกิเลสถ้าชอบใจกิเลสก็เป็นโลภะถ้าไม่ชอบใจก็โทสะเกิดขึ้นนี่ยมันเป็นอาการที่มันมาปรุงแต่งแล้วหงุดหงิดก็ไม่ใช่ของจริงเหรอคะเพราะเรารู้สึกหงุดหงิดจริงจริงไหมคะอาจารย์เพราะเรื่องบางอย่างเนี่ยมันไม่หงุดหงิดหรอบางคนเนี่ยเขาอ๋อจิตมันหลงเนี่ยมันที่ยิ้มเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นของจริงเนี่ยมันทุกคนต้องมีเสมอเหมือนกัน เมืคนยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้เราหลงนี่เราเป็นคนหลงนี่รู้ว่ามันเผลอมันหลงเนี่ยการงุบหยิตแต่ละครั้งเนี่ยคืออาการเผลออาการหลงที่เราอาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะลงเข้าไปยึดมันไปยึด ต, ติดมันว่าเราจะต้องรู้ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้หรอกจิตเนี่ยมันจะรู้ตลอดเวลาไม่ได้เพราะจิตมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันมันต้องเผลอได้หลงได้เพราะฉะนั้นเราตร้องศึกษาเรื่องจิตแล้วให้อภัยเขาอ๋อจิตเป็นธรรมดาของเขา อ๋อธรรมดาของจิตอันเนี้ยเป็นการดูจิตเข้าใจจิตเลยอ๋อเป็นธรรมดาของเขาทีนี้บางคนก็สงสัยว่าเอแล้วความรู้สึกตัวกับความคิดเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรพราเวลาเราจเจริญสติเนี่ยเจริญสติเนี่ยคือการจเจริญความรู้สึกตัวแล้วบางที เ, เรารู้สึกตัวหรือเราคิดมันบางทีมันแยกกันไม่ออกนะคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยเราคิดเอาหรือเรารู้สึกเอาอันนี้ก็สาคัญนะ นี่เนเรื่องขจิตล้วนๆเลยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยเราจะสัมผัสได้คือมันรู้เฉยๆรู้ล้วนๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตก็แต่เรื่องความคิดเนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งต่อเติมเออเรารู้จริงหรือเปล่านีมีความสงสัยเอย้มันชัดไหมนี่เราไม่รู้นี่เราคิดเอาเนี่ยไอ้ความสงสัยเนี่ยมันจะเป็นความคิดแล้วเอาง่ายๆลองเด็ดดิทารองเอามือข้างในข้างหนึ่งไว้ข้างหลัง เอามือข้างในข้หนึ่งข้างหลังข้างขวาก็ได้เราลองทำความรู้สึกตัวแบกการกามือแบมืออยู่ข้างหลังิลองกามือแล้วก็รู้สึกแบมือกาให้รู้สึกแบให้รู้สึกให้เจตนารู้ลงไปที่มือกําลังกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกมกำกำกำกำกำกำกำกรู้กำกำกำกำกำกำกำกำกเรากำกำกำกำกำกำกำกำกำกอกำกำกำกำกำกำกำก แล้วถ้าเราไม่คิดนะมันมีความรู้สึกตรงนั้นไหมมันก็ต้องมีละค่ะถ้าเราทําอยู่จริงจนี่ค่ะใช่สแสดงว่ามันมีความรู้สึกจริงๆถ้าเป็นความคิดเนี่ยมันจะวิจัยวิจารณ์เอ้มันสงสัยมีผ้าอภิจารณ์อันนั้นคือความคิดเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยถ้าเราจะดูจิตเนี่ยสังเกตดูอาการก่อนดูความคิดนึกก่อนมันจะชัดเจนกว่าและต่อไปเนี่ยเรื่องการที่กลับมาดูจิตผู้รู้เองเนี่ยมันจะเป็นไปเองการปฏิบัติเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการ รู้สึกไปเรื่อยๆรู้เฉยๆหนุมปะเตียนไว่าใ้รู้เฉยๆรู้ซื่อๆให้รู้สื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรที่เวลาเราพลิกมือเล่นเนี่ยให้รู้เหย่อรู้ที่มือถ้ารู้ที่มือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความคิดมันเป็นมือเป็นสมมุติถ้ารู้ว่าการที่มันเคลื่อนๆไหวๆอ๋อมันเคลื่อนมันไหวให้รู้รู้ว่าการไม่ไหวเนี่ยแหละเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีการปรุงแต่งรู้ว่าการที่มันไหวๆ อันนี้เรืรู้ของจริงแต่ทีนี้ถ้ารู้ไวๆบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วใครเราเป็นผู้รู้ตรงนั้นเนี่ยเราจะกลับมาเห็นจิตอ้อจิตไม่ใช่มีเฉพาะกายที่มันเคลื่อนเคลื่อนไวมันมีจิตผู้รู้อตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นจิตผู้รู้ได้แล้วจะเป็นการดูจิตได้อย่างแท้จริงเนี่ยคงจะเข้าใจเนาะเรื่องของจิตเรื่องของอาการเรื่องของความรู้สึกตัวเรื่องของความคิดมันก็มีเรื่องที่ว่าจิตเนี่ย มันจะเป็นต้องฝึกไหมเราต้องฝึกจิตไหมเราฝึกจิตกันทําไมอันที่จริงเนี่ยจิตเนี่ยเขามีสภาพที่รู้สึกอยู่แล้วทีนี้การฝึกจิตเนี่ยมันเป็นการฝึกนิสัยเราหรือคะตรงการฝึกจิตนี่ไม่ใช่เอาจิตมาฝึกนะคะไม <c oughs> คือฝึกนิสัยของเราอคือนิสัยของจิตนะ่ะคืออาการที่มันมันปรุงมันแต่งนิสัยของจิตจิตเนี่ยมันรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะรู้ไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามันถูกอาการมารุมเ้า แต่ว่าจิงก็คือความคิดคืออารมณ์คือกิเลสตรงที่ตั้งหากที่มันทําให้จิตจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะจิตของเดิมเนี่ยเขาดีอยู่แล้วแต่ส่วนอาการที่มันมาปรุงแต่งจิตเนี่ยมักจะทาให้จิตเนี่ยมัวหมองแม้แต่ปรุงดีมันก็มัวหมองได้แต่ไม่ใช่แบบมัวหมองแบบเป็นอกุศลความคิดที่เป็นกุศลก็ทําให้จิตเนี่ยมัวหมองได้มัวหมองไม่ถึงว่าไม่ผ่องใสได้ถ้าเราไปยึดติดในความคิดที่เป็นกุศล และบาปอากุศลคือความโลภความโกรธความหลงก็จริงแค่ทำให้รรจิตเนี่ยมันมืดดํายิ่งหนักเข้าไปเล ย, เยจิตที่บริสุธรรทธิ์เนี่ยคือทำหนาที่รู้เฉยใช่ไหมเนี่อรู้เฉยอันนี้คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ที่เราฝึกจิตเนี่ยคือฝึกจิตให้มันรู้เฉยมันทําให้ที่รู้เป็นระเบียบหน่อยเพราะว่าโดยชีวิตแล้วเราไม่ได้มีจิตที่รู้เฉยเรารู้แล้วก็ปรุงไปตามกิเลสความโลภความโกรธความหลงตามความเคยชิน ฝึกจิตไม่ให้มันทําตามความเคยกินที่เคยทํามาอย่างเช่นเวลาอ้สุขภาพเราไม่ค่อยดีเนี่ยท้องผูกจิตเนี่ยมันมันไม่รู้ว่ามันชอบไม่ชอบแต่ว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันไม่ชอบไม่ชอบกินผักไม่ชอบข้าวห้องน้ําไอ้ความไม่ชอบเนี่ยมันเป็นนิสัยของจิตที่เป็นอาการที่มันมาปรุงแต่งกเรื่องของกิเลสแหละเพราะนั้นการปฏิบัติคือการฝึกนิสัยฝึกนิสัยให้มันทําในสิ่งที่มันถูกต้อง อันนี้ยสำคัญเนละการฝึกนิสัยคือนิสัยของจิตเนี่ยชอบทําอะไรตามใจกิเลสตามใจที่มันอยากจะทําวันนการฝึกจิตเนี่ยคือฝึกตัวนิสัยเขาเรียกอะไรภาษาเขาเรียกว่าฝึกขัดดัดนิสัยฝึกขัดนสัยึกดัดนิสัยคือความเคยชินเราเนี่ยนะชอบทําอย่างนี้อย่างงี้นะชอบทําอะไรก็ติดสุซติดความกโกรธเนี่ยนิสัยของจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวจิตเองเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงแค่ รู้ท่านั้นเองก็ต้องฝึกจิตว่าอ๋อถ้าโกรธแล้วทําให้จิต ม, มันมัวหมองเป็นทุกข์อ๋อจิตมันก็ไม่อยากจะโกรธเวลาเกิดความโลภมากทําให้จิตใจต้องเหน็ดเหนื่อยทุรนทุลายอันนี้คือกิเลสมันมาปรุงเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกจิตให้มันเกิดความเคยชินที่จะไม่ทําตามกิเลสไม่ติดความสบายมันจะได้ไม่ทุกข์ในภายหลังเพราะว่าความสุขความสบายเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์อีกล้ มันทําให้เราเกิดการยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นถือมั่นแล้วเนีย่ยมันก็ต้องให้ได้อย่างใจอย่างใจกิเลสต้องยึดมั่นถือมั่นให้ได้อย่างใจแล้วต่อไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะเป็นทุกข์เวลามันไม่ได้อย่างใจการฝึกจิตเพื่อให้รู้ความจริงของไอ้เจตัวกิเลสเดี๋ยวเอาจิตมาดูความคิดเอาจิตมาดูอารมณ์นั่นเองเอาจิตมาดูจิตนั่นเองเพราะนั้นการปฏิบัติเนีย่ยก็คือการมาอาศัยสติสิ่งที่จะรู้เท่าทันกิเลส รู้เท่าฐานอารมณ์ด้ น, นั้นก็ตึเป็นตัวสติสติสัมปชัญญะสติคือทำหน้าที่ระลึกได้สัมปชัญญะญญคือความรู้ตัวที่เาเป็นความรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะได้เห็นตัวกิเลสที่มันมาปรุงแต่งที่เป็นความคิดเป็นอารมณ์การฝึกคือการมารู้สึกมารู้สึกตัวเดินแต่ละก้าวก็ให้รู้สึกตัวเคลื่อนไหวมือแต่ละครั้งก็ให้รู้สึกตัว าการจะก้มจะเงยให้รู้สึกตัวอยู่ในเนื้อที่ตัวนะให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนพอรู้สึกตัวจนตื่นแล้วเนี่ยมันถึงตื่นรู้แล้วเนี่ยเวลามีอารมณ์ของกิเลสมาปรุงแต่ง ล, ล้วก็จะเห็นอ๋อเห็นอาการของจิตมันจะเห็นไปเองขอยเริ่มต้นจากรู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างนี้แหละรู้ซื่อๆอีกแล้วนะคะ <c oughs> ไปๆมาๆก็มาจบลงตรง <c oughs> ที่รู้ซื่อๆท่าทีว่า คนเราโดยส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยยอมที่จะรู้แค่ซื่อใช่ไหมคะมจะรู้ออกไปนอกเรื่องนอกราว <c oughs> ขยายวงรอบรู้ไปตามความคิดแล้วก็ทาตามด้วยรู้ตามความคิดตามอารมณ์แล้วก็ถูกลากจูงไปตามอารมณ์ตามความคิดไม่ได้รู้สื่อแค่เท่าที่ควรจะรู้ก็เลยเป็นเหตุบานปลายให้จิตใจว้าวุ่นแล้วก็เป็นทุกข์ในที่สุดพูดอย่างี้ไม่ผิดนะคะครับเพราะนั้นการ ฝึกจิตให้สงบเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขได้คเพราะว่าถ้าจิตสงบแล้วไม่ปรุงแต่งไปตามอารมณ์กิเลสเนี่ยหรือทําตามกิเลสเนี่ยจิตมันก็จะไม่เหน็ดเหนื่อยคจึงมีวิธีการฝึกจิตให้สงบแบบสองวิธีที่เรียกว่าทําสมาธิหรือทําสมถกรรมฐานฝึกจิตให้รู้ในอารมณ์แต่อารมณ์หนึ่งเรียกสมถกรรมฐานเช่นมีอารมณ์พุโทโธพุธโทโธเนี่ยหรือ คำบริกรรมต่างเนี่ยคือฝึกจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์นั้นจะได้ไม่ซัด ส, สายไปสู่ความโรคความโกรธความหลงพอจิตสงบแ ล, แล้วจะมีความสบายอะไรสงบเรีสมถะคือรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยเรียกเป็นอารมณ์ที่สมมุติพุโทโธก็เป็นเรื่องความคิดเรื่องความสิ่งที่เป็นสมมุติแต่ก็เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลได้ก็ฝึกอีกแบบหนึ่งก็ฝึกแบบวิปัสนาการฝึกจิตให้สงบแบบวิปัสนาคือให้จิตเนี่ยมันรู้ ให้รู้สึกตัวใหร้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็นทิฏฐนาคืออะไรก็คือเอาสภาพที่มาเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นสภาพที่เป็นสมมุติให้รู้สึกโดยปรมัตดโดยสมมติคือพุทโธพุทโธสมสมุติอันนเป็นสมถะถ้าโดยปรมัดคือความารู้สึกล้วนๆเนี่ยจริงใจเวลาดูลมหายใจเนี่ยหายใจเข้ารู้ใช่ไหมหายใจออกรู้ <oft? S 1> อันนี้โดยปรมัตดคือรู้หรือใช้วิธีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเนี่ยอาการที่มันเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ย เนี่ยมันเป็นอารมณ์ปรมาตัตดเป็นของจริงไม่ใช่สมมติพอรู้เฉยๆเนี่ยจิตมันก็สงบไปในตัวเพราะฉะนั้นการฝึกจิตเนี่ยทำให้จิตสงบได้เนี่ยทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าเรารักษาใจสงบเขาไว้ก็ต้องอา ศ, าศาัยสติอาศาัยสมาธิอาศัยความเพียรนี่แหละถึงที่สุดแล้วก็คงต้องกล่าวคําพุทธภาษิตที่นํามาเริ่มต้นรายการเป็นคําจบกระมังคะว่า ผู้สงบใจได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะคะ